ข้อความในพุธการนิกายอิติวุติกะนะครับสูตรที่เจ็ธาตุสูตรนะครับในข้อ222จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้สองประการเป็นฉไหนคือสอัพ ป, ปาทิเสสานิพพานธาตุหนึ่งอนุปาทิเสสานิพพานธาตุหนึ่ง ดูการภิกษุทั้งหลายก็สอุปาทีเสะสะนานิพานธ า, าตุเป็นไฉภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระ้าหาันขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนนั้นย่อมเสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจยังเสวยสุขและทุกข์กอยู่ เพราะความที่อินทรีห้าเหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลายอินทรีห้าเหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียวดูความพิสูจนทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของพิสูจนั้นนี้เราเรียกว่าสัพปาที่เสสะนิพพานธาตุก็คือเน้นนิพพานธาตุของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานนี่นะครับบรรลุนิพพานแล้วก็ คือตรัสรู้อริยสัจทำกิจของอริยสัจเนี่ยนะครับกิจ16เนี่ยครบบริบูรณ์หมดแล้วแต่ก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยังไม่บุบสลายนะมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ว่างั้นเถอะไม่บุบสลายก็ยังรับอารมณ์อยู่คือยังเห็นยังได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเลยนะครับหรือว่าท่านเนี่ยสิ้นราคะหมดแล้วหรือว่าในขณะที่ท่านเข้าเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนะครับ ขณะที่พระอรหันต์ทั้งหลายเข้าสัพละสมาบัติก็ชื่อว่าสัุปาที่เสสานิพพานธาตุนะครับดูกวามพิสูจนทั้งหลายก็อนุปาทิเสสานิพพานธาตุเป็นไงพิสูจนในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขี่นาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในพบสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ เวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของพิสูจนนั้นเป็นธรรมชาติอันกิเลทั้งหลายมีตันหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินไม่ได้แล้วจักเย็นดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรียกว่าอนุปาที่เสสนิพพานธาตุดูกรพิสูจน์ทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านิพพานธาตุสองประการนี้ ราตรถาคตผู้มีจักสุผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ประกาศไว้แล้วอันนิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสอุปาทิเศษะเพราะสิ้นตันหาเครื่องนำไปสู่พบส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งพบทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้าดับสนิทซึ่องพบนะครับคือไม่มีวิบากกรรมมชรูปอีกต่อไป ชื่อว่านุปาทิเศะชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้แล้วมีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตันหาเครื่องนำไปสู่พบชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมะอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละพบได้ทั้งหมดนะครับนี้เรียกว่าทาตุสูตรนะครับเอชฉบับภาษาไทยนี้แปลจาก ฉบับไหนฮะเพราะว่าฉบับภาษาบาลีกับอัตถกถาเนี่ยจะมีชื่อเหมือนกันว่านิพพานาาตุสูตรอ่ะคืออันนี้ใช้ฉบับสยามรัฐนะครับนี้ใช้ฉบับสยามรัฐเพราะฉะนั้นชื่อสูตรของมหาจุลานั้นใช้ตามพมา่านะครับอัตถกถาก็ใช้ตามแนวพมา่าหมดเลยฉนั้นของฉบับมหามงกุฎหรือฉบับสยามรัฐนี่ก็จะใช้ตามของของเดิมของไทยนะครับ เพราะฉะนั้นของมาจุฬาก็ใช้ตามแนวของพมา่านะครับเรื่องวักเรื่องตอนเรื่องจัดรูปแบบเล่มอะไรทั้งหลายแหละโดยมากเรียนแบบพมา่ามาเลยแต่ถ้าของไทยเนี่ยนะครับติดกันพรืทั้งเล่มเลยนะครับถ้าเป็นภาษาบาลีของไทยนะนะครับจนแทบจะแยกวักแยกตอนไม่ถูกเลยว่าจบสูตรแค่ไหนอะไรยังไงนะครับนะอ่านยากมากนะครับตาช้างนะซื้อมาดูเลยเก้าพันนะครับนี่ห้าพันนะ พูถึงราคาแล้วก็ไงอัตถกะถาในทาตุสูตรนะครับบทว่าทเวมาตัดบทว่าทเวอีมาตันหาท่านเรียกว่าวานะนะครับตันหานะชื่อของวานะวิเคราะห์นิพพานนะนะชื่อว่านิพพานเพราะออกจากตันหาหรือเป็นที่ไม่มีตันหาหรือเมื่อบรรลุนิพพานแล้วตันหาไม่มีนะคำว่านิพพานเนี่ยนะครับนิพพานนีนความหมายหนึ่งว่า ออกจากตันหาหรือความหมายหนึ่งไม่มีตันหาเรือความหมายหนึ่งถ้าบรรลุนิพพานอันนี้แล้วก็หมดตันหาหรือไม่มีตันหาอีกแล้วนะครับชื่อว่านิพพานธาตุเพราะนิพพานนั้นชื่อว่าธาตุเพราะไม่มีสัตว์ชีวะนะไม่มีสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับไม่มีชีวะอย่างนั้นเลยนะและเพราะอถาว่าเป็นสภาวะนะครับเป็นสภาวะชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริงนะนะ ถ้าแม้ว่านิพพานธาตุนั้นไม่ต่างกันโดยประมาตแต่ปรากฏโดยปริยายะเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทเวมาพิเควนิพพานธาตุโยดังนี้คือนิพพานนี่นะครับโดยสภาวะไม่ต่างกันแต่โดยเหตุแห่งการเอามาแสดงเนี่ยแสดงได้สองอย่างนะครับแต่ตัวสภาวะอย่างไรเสียนิพพานก็นิพพานอันเดียวนั่นแหละไม่ได้มีความแตกต่างกันอะไรเลยแต่ก็สามารถแยกมาแสดงได้นะครับ แยกมาแสดงแบบนิพพานของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่สิ้นชีวิตแล้วนะครับบทว่าอารหังอรหังได้แก่ไกลจากกิเลสอธิบายว่าอยู่ไกลนะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากระทันจะพิกเวภิกขุอรหังฮุนติอารกาสะฮุนติปาปากากุสลธรรมะสังกิเลสิกาโปโนภวิกา สัทราทุกขวิปากาอายติงชาติชารามมรนิยาเอวังโคพิกเวอรหังโหติความว่าดูการพิสูุทั้งหลายภิสูจชื่อว่าเป็นอรหันต์นั้นนเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไกลจากอากุศลธรรมอัลลามกความเศร้ามองการมีพบใหม่ความกวนกวายวิบากแห่งทุกชาติชารามรณะดูก่ารพิสูุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันต์ นะครับคือไม่มีอกุศลธรรมอันลามกเลยนะครับภาหันเนี่ยนะรับอารมณ์ใดใจก็ไม่เป็นบาปอย่างนั้นเถอะแล้วก็ไอ้ตัณหาที่นําไปสู่พบใหม่ความกวนกวายที่เป็นเหตุให้มีวิบากต่อไปเพื่อชรามรณะไม่มีอีกลักษณะนี้แหละเรียกว่าพรภาหัน์สรุปแล้วคือไม่มีกิเลสนะนะรับอารมณ์ใดแล้วกิเลสไม่เกิดเลยสักอันอยงั้นเถอะบทว่าขีนาสโศวความว่าชื่อว่าพระขีนาศพเพราะอาสวะสีมีกามาสวะเป็นต้น ของพระารหัสสิ้นแล้วตัดขาดแล้วละได้แล้วสงบแล้วไม่ควรจะเกิดถูกไฟคือยานเผาแล้วนะครับเมื่อกี้นาศพบ น, นะถูกไฟคืออริยมรรคยานเนี่ยนะอรหัตตมรรคเนี่ยเผากามาสะวะเกลี้ยงแต่ว่าทิฏฐาสะวะโสดาปติมรรคละได้ภาวาสะวะเนี่นะครับผ่ารหัตมรรคละได้กามาสะวะ ภวาสะวะอวิชาสะวะนี้อรหัตตมรละได้ส่วนที่ฐาสะวะละได้ตั้งแต่โซดาปฏิมักอันนี้กล่าวแบบพระอรหันต์นะครับละอาสะวะที่เหลือเด็ดขาดด้วยอรหัตตมรเรียกว่าพระขีาศพนะครับบอว่าวูสิตาความว่าชื่อว่าอยู่จบแล้วจบแล้ ว, จ บ, ลวจบอะไรครับเพราะอยู่จบแล้วอะอยู่อาศัยแล้วอาศัยแล้วสะสมเจรณะแล้วในครุสังวาสบ้างในอริยมรบ้า ง, ใ น, างในอริยวาสิบบ้างนะครับคือ จะพูดในแง่ไหนก็ทําจบหมดะนะจะพูดในแง่ว่าอาริยมรรคก็เจริญเรียบร้อยแล้วจะเรียกว่าอาริยว่าสิบนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอริยว่าสิบต้องดูอังคุตระนิการนะครับบทว่ากะตะกรณิโย و. ความว่าชื่อว่าทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วะนะเพราะว่าพระเสขะเจ็ดตั้งแต่กรรยานชนผู้เป็นปุตุชนชื่อว่าทํากิจที่ควรทําด้วยมรซีกิจที่ควรทําทั้งหมดพระขีนาศพทำเสร็จ คือเสร็จสิ้นแล้วกิจที่ควรทําเพื่อบรรลุความสิ้นทุกข์ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะครับคือหมายความว่าถ้าคนอื่นๆเนี่ยนะต่ำกว่าพระอรหันต์มาจังยังทําอยู่ว่างั้นเถอะยังไม่เสร็จนะครับยังทําวิจัยอยู่ยังไม่จบนะครับส่วนพระอรหันต์เนี่ยทำวิจัยจบหมดแล้วนะครับในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าตัสสะสัมมาวิมุตตัสะสันตจิตตสัพภิคุโนกะตัสสะปฏิจญโนติการณี อย่างนักวิชิติภิกษุผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบกระทำกิจเสร็จแล้วไม่มีการสั่งสมกิจที่ควรทำไม่มีนะครับท่านมีจิตสงบแล้วใช่ั้มครับนะตัดสัมมาวิมุตติสะัะเป็นผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบนะครับส่วนไอ้คำว่าจิตสงบก็คือสันตจิตตสัะนะครับเป็นผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบแล้วก็ กตัะนะครับกระทากิจเสร็จแล้วกิจก็คือกิจในการวิจัยอริยสัจเนี่ยนะครับจบเกลี้ยงหมดแล้วนะครับปริญญากิจนะครับกิจในการทําปริญญาอย่างหนึ่งกิจในการละกิจในการทําให้แจ้งกิจทํากิจในการเจริญไม่ต้องอีกแล้วนะครับทําเรียบแล้วแล้วกตะกรณิโยนะครับทํากิจเสร็จแล้วหมายคก็ว่าจบแล้วนะครับวิจัยจบเสร็จแล้วของเราก็ยังเริ่มวิจัยอยู่นะครับ เริ่มรู้เอ๊ะท่านให้ทําอะไรบ้างนะของเราก็มาฟังเอ๊ะเขาเริ่มวิจัยนี่เขาทาทอะไรบ้างอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนนะครับอย่าพูดว่ามันวิจัยเอาเป็นการเป็นงานอะไรเลยให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนว่าทุกมันคืออะไรขอบเขตแค่ไหนมีลักษณะ ungen, อย่างไรเกิดจากปัจจัยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียนให้มันรู้ก่อนนะครับสมุทัยเป็นต้นก่อฟังให้มันเข้าใจก่อนนะถ้าฟังเข้าใจแล้วไม่ทำนี่ช่วยไม่ได้จริงๆ นะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดก็ให้เข้าใจก่อนเถอะนะครับถ้าเข้าใจจริงๆอย่างไรเสียก็ต้องปฏิบัตินะครับเป็นยาเอกอะไรครับอันนี้ก็คนละเอกกันนะครับคนละสายกันนะครับอันนี้สายพุทธศาสตร์นะครับคือถ้าจบปริญญานี้ก็คือเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นอักครทักษินยะบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะครับเป็นนาบุญของโลกเหมงอนกันเถอะสุดยอดของนาบุญเหมือนกัน อ๋อถ้าระดับผ่าระยะมี4ระดับนะครับแต่ระดับของเราก็มียาตะปริญญาตีระปริญญาปหานะปริญญาเหมือนกันนะครับนะถ้ายาตะปริญญาได้จบนะถ้ายาตะปริญญาเสร็จก็ไม่ตกอบายหนึ่งชาตินะครับถ้าตีรณะปริญญาก็ไม่ไปอบายเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงปหานะปริญญานะครับถ้าได้ยาตะปริญญานี้ไม่ไปอบายแน่นอนทําไมครับเพราะว่าคนที่ทํายาตะปริญญาจริงๆหนึ่งศีลดีจิตตสิกขาก็ดี นะครับแล้วก็กรรมัสกตารมแน่นจะไปอบายได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายัางไงยังไงเสียก็ยาตะปริญญาให้แม่นๆก็ยังดีนะครับบทว่าโอหิตะพาโรได้แก่ภาระสามอย่างคือขันธภาระกิเลสภาระอะพิสังขารภะวะนะครับคือผู้ที่ปรงภาระแล้วเนี่ยนะ ภาระแม้สามอย่างเหล่านี้อันพิสูุนนั้นปรงแล้วคือยกลงแล้ววางแล้วทําให้ตกไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโอหิตะภารรปรงภาระได้แล้วปรงขันได้แล้วนะคําว่าปรงขันคือขันอันใหม่ๆจะไม่มีอีกเด็ดขาดในพบต่อไปเพราะฉะนั้นเรียกว่าปรงขันเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก็พยุงขันเก่าอยู่นะครับขันเก่าที่เป็นเหตุเป็นผลของกรรมกิเลสในอดีตเนี่ยนะก็ยังพยุงต่อไปแต่ว่าไอขันในภพใหม่ต่างโดยเอกวอกระภพนี่ไม่มีแล้วไม่ต้องพยุงแล้วปลงแล้วนะครับไม่ต้องเหิว้วไม่ต้องแบกต้องหามอีกแล้วในขันในภพต่อๆไปแล้วก็กิเลสสภาระก็ไม่มีกิเลสณผลทุกผลทุกแห่งที่ท่านไปโครจรไปกิเลสไม่ซึมทราบใจท่านเลย แล้วก็อภิสังขารภาระเจตนาของท่านก็ไม่เป็นกรรมอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยโปร่งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบทเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราเรียนเนี่ยถามว่าเรียนทําไมเรียนเอาไว้เจริญพุทธคุณเรียนเอาไว้เจริญสังฆคุณเรียนเอาไว้ว่าเออพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้นะก็ยังดีนะครับบางคนเนี่ยนะพอฟังธรรมะเหล่านี้นะละเบื่อหน่ายโอ ย, อยเราปฏิบัติไม่ได้เรกอย่างงั้นอย่างนี้ ไม่ควรคิดแบบนั้นควรคิดว่าเออนี่นะคําสอนนี่ยสอนให้ปฏิบัติได้ขนาดนี้เลยเหรออย่างหนึ่งนะครับถ้าจะเจริญธรรมะคุณนะครับหรือจะเจริญพุทธคุณโอ uh, ้พระองค์รู้ขนาดนี้เลยเหรอหรือพระสง์นี่โอ uh, ้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติถึงขนาดนี้นะไม่ธรรมดานะเป็นต้นก็ไว้เจริญนะว่าเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงในคุณของพระรตนะตรายบางคนพอฟังแล้วก็โอ้ยซึมในว่งา ง, งั้นแต่ไม่มุวนเลยนะเพราะว่าไม่ได้เจริญอ่า อนุสติเหมือนนนะถ้าเจริญอนุสติสบายมากครับถึงไม่เข้าใจก็ยังมุวนอยู่นั่นแหละทําไมครับอ้าวโอ้นี่คุณของพระรัตนตรัยทั้งนั้นนะครับก็ฟังแล้วเลือกูุ์ศรัทธานะครับฟังแล้วก่อให้เกิดศรัทธาไม่ใช่จะเอาปัญญาของเราไปวัดทุกเรื่องไม่ได้งานนะครับบดว่าอนุ ป, ปะตะัตตสัทโธได้แก่บรรลุประโยชน์ของตนแล้วท่านกล่าวบทว่าสกัดถังประโยชน์ของตนก็มีนะครับประโยชน์ของตนจริงๆคืออะไรครับ ประโยชน์ของตนก็คือบอกว่าอธิบายว่าชื่อว่าอนุปัตตสทัทโธนะครับเพราะประโยชน์ของตนอันพิสุบรนลุแล้วเพิ่งทาาราบพระรหัสชื่อว่าอ่าสัโทโธนะครับจริงอยู่พระระหัสนั้นชื่อว่าประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ตนจริงๆนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าบอกว่ากิจของตนก็คือศิกขาสามแต่ถ้าประโยชน์ตนก็คือนี่รหัสตผลนะครับถ้ากิจของตนคือศิกขาสามนะครับ ถ้าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมือ่อไรเรียกว่าทํากิจของตนแต่ถ้าหากว่าบรรลุอรหัตผลเรียกว่าถึงประโยชน์ของตนจริงๆนะครับพระอรหันต์นั้นชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตนเพราะเป็นประโยชน์ตนด้วยอัฐว่าเนื่องด้วยตนด้วยอัฐว่าไม่ละตนและด้วยอัฐว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนนะครับแหมเน้นคําว่าตนเหลือเกินนะครับโดยที่มีกี่ตนเนี่ยเนีย่ยนะ หเป็นประโยชน์ตน2เนื่องด้วยตน3ามไม่ละตน4เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนคำว่าตนในที่นี้คือปฏิเสธบุคคลอื่นเท่านั้นแหละครับไม่ได้ว่าตนมีอัตราอะไรอยู่ในนั้นอะไรรอกเพียงแต่คาว่าตอนอันนี้คือปฏิเสธ ภ, ภายนอกเท่านั้นเองนะครับบทว่าปริกขีณะภาวะสังโยชโน์ได้แก่ชื่อว่าสังโยชน์ในภพ เพราะสังโยชน์เหล่านี้คือการมาราค้าสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชน์มานะสังโยชน์ทิฏฐิวิจิกิจชาศีละพัตตปราโมทภวะราคะอิสามาิเชริยะอวิชาสังโยชน์ย่อมประกอบคือเข้าไปผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ในพบหรือพบด้วยพบนะเอางี้นะว่าไอ้สังโยชน์สิเนี่ยนะมันผูกสัตว์ให้ติดอยู่ยในพบเนอย่างหนึ่งหรือว่ามันผูกสัตว์ไว้ในพบกับพบให้มันเชื่อมกันไปลักษณะนี้นะชื่อว่าสังโยชน์เชื่อว่ามีสังโยชน์ ในพบสิ้นแล้ว music, like เพา nice เราะสังโยชน์เหล่านั Cada ้นของพระอรหัน e ต์สิ้นแล้วค mm ือท่านละได้แล้วถูกไฟคือยานเผาแล้วไอ้เครื่องผูกอันนี้นะถูกไฟเนี่ยเผาขาดหมดเลยนะครับถ้าสมมติว่าผูกไว้นะโซ่ตัวนเนี่ยผูกล่ามจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งทูบหนึ่งสู่พบหนึ่งนะมันมีเครื่องผูกอันนี้นะไฟคือยานเนี่ยเผาเครื่องผูกอันนี้หรือว่าเหมือนกับมีดมาตัดไอ้เครื่องผูกเชื่อมจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเนี่ยนะ ถูกตัดแล้วก็เลยไม่เป็นไปในภพอ่ะนะบทว่าสัมมัทธัญญาในบทว่าสัมมัทัญาวิมุตโตนี้ได้แก่เพราะรู้โดยชอบนะสัมมัทัญญาเนี่อรู้โดยชอบนะครับข้อนี้ท่านมีอธิบายไว้ว่าเพราะรู้คือพิจารณาไตร่ตรองแจ่มแจ้งทำให้ชัดตามความเป็นจริงโดยชอบซึ่งการตั้งอยู่แห่งขันทั้งหลายโดยเป็นขันเนี่ยคือท่านรู้ยังไงครับมาดูนะ ท่านรู้ขันทั้งหลายโดยความเป็นขันหมายคาอว่ารู้ความเป็นกองแห่งขันทั้งหลายนั่นเองนะครับยังถึงหมดนะนะแห่งอายตนะทั้งหลายโดยเป็นอายตนะแห่งท่าทั้งหลายโดยความเป็นของศูนย์แห่งทุกข์ทั้งหลายโดยความเป็นของบีบขันแห่งสมุทัยโดยเป็นที่เกิดแห่งทุกข์แห่งนิโรธอันเป็นความสงบนะครับเป็นความสงบแห่งมัดเป็นทัศนะนะครับหรือซึ่งประเภทเมียที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่คือท่านรู้รู้แบบนี้นะครับรู้โดยชอบนะมาคิดดูว่าถ้าเป็นพระรหารแล้วรู้อะไรบ้างดูนะฟังดูนะรู้ขันรู้อเยตนะรู้ธาตุรู้อริยสัจคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคหรือว่ารู้ว่ า, วาสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นต้นนะครับบอกว่าพระรหารเนี่ยนะครับท่านมีกําลังของท่านอย่างหนึ่งคือสังขารทุกชนิดท่านเพ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างชํานาญที่สุดนะครับ นี่นี่คือกําลังที่ที่อย่างหนึ่งพิเศษของท่านนะสังขารทุกชนิดครับไม่เที่ยงในวัดเดียวเนี่ ย, ย, ยท่านแพ่งหมดเกลี้ยงนะครับในอย่างหนึ่งสองก็คือบอกว่าท่านเห็นว่าไอตา้ตันหาเนี่นะครับตันหาเนี่เหมือนกับกองไฟนะครับมองเห็นกามทั้งหลายเหมือนกับลุมฐานเพลิงว่างั้นเถอะนุนว่ากามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงหมายว่ามองเห็นตัวตันหาที่ยินดีในพบเป็นต้นเนี่ยนะครับ ตัญหาที่ยินดีในอารมณ์เนี่ยเหมือนหลุมฐานเพลิงเลยนะครับเห็นขนาดนั้นแล้วก็มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นเองนะครับหลันพาฐานเนี่ยพิจารณาสังขารโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยชำนานมากนะกามทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับหลุมฐานเพลิงแล้วก็ตั้งมั่นในสติปัฏฐานเป็นต้นสรุปนะคือตั้งมั่นในอริยสัจเนี่ยชำนาญมากนะครับคืออริยสัจไม่ว่าแง่ไหนเนี่ยชำนาญทุกแง่หมดเลยลักษณะ น, นั้นอ่ะคือคือ กำลังของท่านางนั้นเถอะความสามารถของท่านในลักษณะนัน้นของเราก็ใหม่ๆก็ฝึกให้เห็นอะไรก็น้อมไปในศึกษาสามก่อนนะเห็นอะไรก็น้อมไปในศึกษาสามถ้าน้อมไม่ได้ก็แล้วนึกถึงคำสอนก็ยังดีก็บอกว่าเอ า, เอาคุยกับโยม่โยมเออนี่นะถ้าไม่อะไรเลยนะเห็นอะไรสักอย่างก็ให้นึกถึงคำสอนสักสูตรหนึ่งก็ยังดีนะให้มีคำสอนนำหน้าทุกเรื่องที่ทำนะ แต่ถ้าพูดแบบคนที่เรียนมามากแล้วก็ต้องพูดว่าลองเห็นอันนี้ลองส่งข้อคําสอนลงมาสิเห็นงหมแต่ถ้าหากว่าใหม่ๆเลยนะรับอารมณ์อะไรก็ตามควรคิดถึงคําสอนเอาไว้เป็นหลักหนึ่งอย่างแล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นไปอย่างเช่นนะถ้าอาจารย์ประโมทนี่ก็ใช้มงคลสามสิบแปดนะครับซึ่งสวดหาฉันมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นร่ายมงคลสามสิบแปดไว้เลยนะครับเวลาเกี่ยวข้องกับอะไรนะมันได้มงคลอะไรบ้างเป็นอัปมงคลอะไรได้บ้าง กับทุกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องนะเอามงคล38ตรวจสอบก็ได้นะครับเช็คไปนะครับเออเนี่ยนะเออนี่ไปเดินเนี่ยมันได้มงคลอะไรบ้างใน38ก็สวดไปนะครับสวดเป็นภาษาบาลีก็พอจะนึกออกหรอกครับว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับอเซวันนจะพาลานังก็พอนึกแปลคร่าวๆพอได้แล้วนะครับแล้วอ่านมังคลาทีปณีประกอบเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็อย่าให้รู้ว่าได้มงคลอะไรบ้าง ถ้ามันขัดกับมงคลอะไรนะให้รู้เธอว่านี่กำลังบิบัดิเลยนะอับประมงคนกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับทุกอย่างเลยนะนะอย่างน้อยที่สุดให้ได้มงคลสักสองสามข้อก็อยังดีเวลาทำอะไรนะเช่นเนี่ยจะเดินจากนี่ไปกุฏินี่จะได้มงคลข้อไหนบ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะพูดแบบคนที่เรียนมาน้อยๆก็จะเป็นทานศีลภาวนาอะไรได้บ้างตั้งอันนี้ไป จะเป็นศีลสมาธิปัญญาอะไรได้บ้างท่านนี้ก็เอาจะได้มงคลข้อไหนบ้างจากนี้ไปถึงกุฏิดูสิเก่งขนาดไหนแล้วเอานนะจะได้บารมีสักข้อไหมเนี่ยจากนี้ไปกุฏิอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะให้ได้สักอย่างก็ยังได้นะหรือไม่ก็เออคิดถึงสักสูตรหนึ่งว่างั้นสาธยายเป็นอัธยาศัยแล้วเห็นอะไรก็นึกถึงแต่สูตรนะั้นได้อันนี้ก็ได้นะครับแต่ ก็อย่างแค่นเมตสูตรนะครับเกี่ยวข้องอะไรก็เมตสูตรก็ได้นะครับเกี่ยวข้องอะไรกับมงค ล, ลสูตรเป็นพฤทธนะครับเสวนาจะพาลานังเดี๋ยวพอมันสวดจนชํานาญนะั่นจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเหมือนกับเกี่ยวข้องอะไรปัจเจกประพฤติอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นนะครับต่อไปก็ต้องฝึกจากแบบนี้เอานะครับฝึกให้ทรงสักสูตรหนึ่งแล้วก็สาธยายบ่อยๆนะครับจะต้องสูตรนั้นไปเรื่อยๆเรืยๆไปนะครับะนะั่นถ้าว่างๆก็วสวดนั่นนะ หรือถ้าหากว่าเราเจริญอนุสติอยู่นะเออนี่จากนี้ไปกุฏินี้จะได้อนุสติสักข้อไหมหรือนี่อรหังเนี่ยสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสักคํำก็ยังดีเหมือนกันสวาขาโตเป็นต้นสักบทก็ยังดีสุปฏิปันโนเป็นต้นก็สักคำก็ยังดีนะครับแต่ว่าเราต้องสวดให้ชํานาญเนี่ยอย่างหนึ่งเข้าใจคําแปลและความหมายเป็นอย่างดีเนี่ยอย่างหนึ่งนะอันสรุปแล้วก็พหูสูตรนะครับ เพราะว่าบัณดิตทั้งหลายมีการอนะพระหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลังนะครับแต่นี้ก็มงคลก็ยังดีนะครับแต่ว่าพยายามเอาสิ่งที่เราคุ้นอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็อริยทรัพย์ก็ได้นะครับเห็นสวดบ่อยนะครับ เ, เห็นนะผมเห็นเวลาไปงานศพนะจําได้อะไรนะมีเห็นได้ยินสวดบ่อย่ะ อ, อริยทรัพย์ที่ศรัทธาศีลเป็นต้นที่มีอยู่ในบุคคลได้เนี่ยนะ ฉันทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้นึกถึงรัพย์เจ็ดอย่างไงเราจะได้ทรัพย์อะไรบ้างนะถ้าพูดแบบสํานวนทางโลกนะเขาทําอะไรเขาก็คิดถึงรายได้ทั้งนั้นนะครับของเราในศาสนาเออนี่จะได้ทรัพย์คือศีลไหมรัพย์คือฮิริโอต ป, ปะจะได้ไหมรัพย์คือสุตตะรัพย์คือจาคะรัพย์คือปัญญานะเอาอันนี้ก็ได้เป็นตัวตั้งแล้วก็เจริญไปทําอะไรก็ได้เอาหลักอันนี้ตั้งไว้นะครับแล้วค่อยๆหาคําอธิบายของแต่ละบทเหล่านั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับกุศลธรรมก็จะค่อยๆเจริญไปตามนี้นะครับ ทำไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับวันคืนล่วงไปล่วงไปเปล่านะครับเสียหายมากแต่ถ้าหากว่าไม่ทรงอะไรไว้เลยนะครับถ้าไม่ทรงจำอะไรไว้เลยถึงอ่านมากก็ใช้มากไม่ค่อยได้ครับพุทธคุณก็ดีนะครับก็ทรงทรงไวแต่ก็ในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูนะพระองค์ไม่ได้เน้นให้เจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะ ถ้าคนที่มีอินทรีย์อ่อนนะครับอย่างยกตัวอย่างพระราหุลเนี่ยนะพระราหุล น, นี่พระผู้มีพระภาคแนะนําไม่รู้กี่วิธีต่อวิธีนะครับไม่ได้เน้นถ้าเหมือนกับอาหารก็ไม่ได้เน้นอาหารเช่นนีเดียวเน้นอาหารห้าหมูว่างั้นเถอะนะนะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้มันครอบห้าหมูก็แล้วกันนะก็จะเจริญเติบโตได้นะครับอินทรีห้าก็เหมือนกันนะช่วงนี้ควรจะเสริมส่งเสริมอะไรอินทรีย์อะไรก่อนอย่างเช่นเออช่วงนี้ดูถ้าไม่ค่อยเพียนอ่า หาอาหารวีรยินทร์ซีหน่อยนะครับเอช่วงนี้นี่ศรัทธานะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เฉยๆเอชัตรินรียอ่อนไปหาอาหารของศรัทธาหน่อยเอช่วงนี้ดูประมาทเยอะหาอาหารของสตรินรีเอช่วงนี้ฟุ้งซ่านอาหารของสมาธินซีเอช่วงนี้ไม่ค่อยปารบไม่ค่อยฉลาดอะไรเลยหาอาหารของปัญญินทรียีนะครับนะอาหารหลักห้าหมู่เม่งนกนนะครับนี่ต่อไปนะครับ บทว่าวิมุตโตได้แก่วิมุตสออย่างคือจิตวิมุติและนิพพานนะครับวิมุตมีสอ ง, องนะคือหมายถึงหลุดพ้นด้วยจิตแล้วก็นิพพานจริงอยู่ภารหันชื่อว่าพ้นด้วยจิตตวิมุติบ้างชื่อว่าพ้นในนิพพานบ้างเพราะพ้นจากกิเลสทั้งปวงด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัมมัทธยาวิมุตโตนะครับพ้นเพราะรู้โดยชอบคือพ้นด้วยจิตนะครับหรือพ้นด้วยนิพพานแต่ว่า คำว่าพ้นด้วยจิตกับพ้นด้วยนิพานหมายถึงว่าจิตที่เป็นอรหัตตผลในจิตมีนิพานเป็นอารมณ์ก็เลยหลุดพ้นแต่ที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะรู้โดยชอบรู้อะไรครับรู้อริยรรสัจสีเป็นต้นทั้งหมดโดยชอบนะครับบทว่าตัสะติดถันเตวะปัญจินริยานิความว่าอินทรียหามีจากขุนสีเป็นต้นของผ้าอรหนันนั้นยังตั้งอยู่ตราบเท่ากรรมอันเป็นเหตุให้เกิดในภพสุดทายย้ายยังไม่สิน้นหมายถึงว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าใช่ไหมส่วนหนึ่งอะ น, นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับพระรานจะไม่ฆ่าตัวตายนะครับยังไงเสียท่านจะไม่ฆ่าตัวตายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่จะไม่ยินดีในการเป็นอยูนะ่ไม่ยินดีในการเป็นอยู่นะครับแต่ก็จะไม่ฆ่าตัวตายแต่จะรอความตายมือเงื่อนคนรอรับค่าจ้างเย่างั้นนะบทว่าอาวิขตตาได้แก่เพราะยังไม่ดับคือด้วย การดับคือความไม่เกิดบทว่ามานาปมานาปังได้แก่อารมณ์มีรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจหมายความว่าท่านยังเห็นอยู่นะบทว่าไม่ใช่ปัจจนุโพติได้แก่ย่อมเสเวยคือย่อมได้บทว่าสุขาทุกขังปฏิสังเวเทติตได้แก่ย่อมเสเวยสุขและทุกอันเป็นวิบากคือย่อมได้ด้วยไตรทวารคือกายวาจาเป็นต้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัส อุปาทิเสสะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้วบัดนี้เพื่อสแสดงอัสอุปาทิเสสนิพานธาตุในบทนั้นบทว่าตัดสะได้แก่พาธหัน์ผู้ยังมีอุปาทิเสสะนั้นบทว่าโยราคคโย و, ได้แก่ความสิ้นไปคืออาการสิ้นไปความไม่มีความไม่เกิดในที่สุดแห่งราคะหมายความว่าละราคะโดยประการทั้งปวงละโทสะโดยประการทั้งปวงละโมหะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นเรื่องของพาธหันนะครับ บทว่าอิเทวะได้แก่ในอัตภาพนี้แหละบทว่าสัพพะเวทยิตานิได้แก่เวทนาทั้งหมดมีสุขเวทนาเป็นต้นอัพยากตะเวทนากุสลากุสลเวทนาท่านย่อมละได้ก่อนนะคือกุศลอกุศลเวทนาเนี่ยพระ อ, องค์ละได้ก่อนนะครับบทว่าสีติภวิสันติได้แก่จักเย็นด้วยความสงบส่วนเดียว ได้แก่ความสงบระงับความกวนกวยในสังขารคือจักดับด้วยการดับอันไม่มีปฏิสนธิไม่ใช่เพียงเวทนาทอย่างเดียวเท่านั้นจักดับแม้ขันห้าทั้งหมดในสันดานของะกีนาศก็จักดับนะครับเพราะฉะนั้นฟาดหานทั้งหลายทิ้งขัน5้าอันนี้จักไม่ถือเอาขันห้าอันใหม่เลยสิ่งนี้ปุถุชนทั้งหลายรังเกียจมากนะครับถ้าตายแล้วไม่เกิดอีกมันก็ไม่มุ่นนะไม่สนุกนะ มันต้องเวียนไหวตายเกิดไปสิมันยึงจะสนุกว่างั้นนะ น, นะชอบเสี่ยงนะครับลองติดหนี้ติดสินหัวโตดูดิป่วยก็ป่วยโรคก็เยอะนะครับครอบครัวมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานตายแล้วจะไปตกนรกเนี่ยนะจะเห็นคุณของนิพพานนันดีเลยนะครับ ity, นะถ้ารอบรู้ว่าโอหเนี่ยนะนรกเปรตอสุรกายหมุนเวียนเปลี่ยนยางงี้นะเทวดา ม, มนุษย์ก็ชั่วคราวเพราะที่เหลือมีแต่บาป โอ้โหนี่ผ่านหน้าจะดีถ้าเห็นกองทุกขของตัวเองแล้วนะ น, นะคือเหมือนกับว่าคนที่มองเห็นวังภาระของตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้โหจะต้องขุดเขาทั้งลูกเนี่ยนะภารกิจข้างหน้าต้องขุดเขาทั้งลูกนะครับไอเรื่องลาออกจากบริษัทนี่มันก็คิดง่ายใช่ไหมแต่ถ้าคิดบอกว่โอ้โหขุดแต่ละวันก็ได้รายจ้างรายได้ประจําวันเนี่ยนะเพลินดีออกถ้าอย่างนี้ก็ก็ไม่เท่าไหร่แต่โอ้โหนี่ต้องขุดเขาทั้งลูกเลยเหรอเนี่ยองั้น หรือบอกว่าต้องทุกอีกมหาศาลเลยหรอเนี่ยนะพวกนี้จึงจะคิดออกจากวตะนะครับแต่ถ้าพวกที่ยังหูโอนโอนนก็ดีอันนี้ก็งามม้วนขนาดถ้าอย่างนี้ก็อยู่ต่อไปก็แล้วกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววตะมันจะปั่นหัวจนแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นอีกนั่นแหละครับนะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นอีกนั่นแหละครับ ในคาถานะครับที่พระองค์ตรัสว่าอ น, นิพานธาตุสองประการนะครับพระตถาคตผู้มีจักษุผู้อันตันหาและทิฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ประกาศไว้แล้วอันนี้พาณาธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสอุปาทิเสสะเพราะสิ้นตันหาเครื่องนําไปสู่ภพส่วนนิพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสสะ ชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตันหาเครื่องนำไปสู่พบชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรลุธรรมะอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละพบได้ทั้งหมดนะครับอัตถกาถาที่บายว่าบทว่าพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุนะพระองค์มีจักษุห้านะครับ จักสูห้าของพระพุทธเจ้าคือพุทธจักสุธรรมจักสุที่พระจักสุปัญญาจักสุและสมันตะจักสุโอตาพระพุทธเจ้าพุทธจักสุคืออะไรครับทวนนะพุทธจักสุได้แก่อินเดียปรโรปริยัติยานและอาศยานุสยานเรียกว่าพุทธจักสุนะครับธรรมจักสุก็ได้แก่อะไรครับมัศสามเบื้องต่ํานะครับมัศสามเบื้องต่ำเรียกว่าธรรมจักสุที่พจักสุก็มี ตาทิพย์นะครับปัญญาจักสูก็คือปัญญาที่เห็นอริยสัจส่วนสมันตะจักสูได้แก่พุททาน14นะครับพุทธทาน14ได้แก่ยานในอริยสัจสี่ยานในปฏิสัมพิทาสแล้วก็อาศาธาระญาณหเรียกว่าสมันตะจักสุนะครั บ, พ ร, พ, รบพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุในนี้นะครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าผู้มีจักสูนะเราลืมตาถ้าจะเจริญพุทธคุณนะเห็นตาพระพุทธเจ้าก็เจริญโอ้พระองค์มีตาหนะ พุทธจักสุธรรมจักสุปัญญาจักสุสมรตะจักสุพุทธจักสุได้แก่อย่างเงี้ยเขาเจริญไปนะครับเนี่ยนะเห็นตาพระพุทธเจ้าเขาเจริญพุทธคุณได้ตังเยอะเลยนะครับนีบทว่าอ น, นิสิเตเณได้แก่ไม่อาศัยธรรมะอะไรๆโดยเป็นที่อาศัยของตันหาและทิฏฐิหรือไม่ผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือราคะเป็มต้นนะครับ พระพุทธเจ้านี่ไม่มีข้อผูกพันอะไรเลยนะครับในสังขารทุกชนิดในอารมณ์ทุกอย่างด้วยตันหาและทิฏฐินะครับไม่มีข้อผูกพันด้วยราคะเป็นต้นในทุกอารมณ์เลยบทว่าตาที่นาได้แก่เป็นผู้ที่อันมีลักษณะคงที่กล่าวคือความเป็นผู้มีสภาพเป็นหนึ่งในอารมณ์ทั้งปวงมีอิทธารมณ์เป็นต้นด้วยอุเบขามีองค์หกนะครับอยู่ด้วยฉลังผู้เปขานั่นเองนะครับ อยู่ด้วยฉลังคู่เปราในอารมณ์ทั้ง6เพราะท่านสมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะบทว่าที่ถธรรมิกาได้แก่นิพพานธาตุอันมีคืออันเป็นไปในอัตภาพนี้บทว่าภวะเนติสังขยาได้แก่เพราะสิ้นตัณหาอันนําไปสู่พบบทว่าสัมปรายิกาได้แก่อันมีในเบื้องหน้าคือในส่วนอื่นจากทําลายขันนะครับ บทว่าเตาได้แก่ชนเหล่านั้นมีจิตพ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้บทว่าธรรมะสาราที่ขมาได้แก่เพราะเป็นผู้มีวิมุติเป็นสาระนะพระารหันนี้เป็นผู้มีวิมุติเป็นสาระนะครับคือเพราะบรรลุอัตพารหัตอันเป็นสาระในธรรมะทั้งหลายแห่งธรรมวินัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นอัรหัตผลเนี่นะครับเป็นสาระของพระธรรมวินัยนี้นะครับเรียกว่าเข้าถึงแก่นแท้นะครับอะกุ ป, ปาเจตโตวิมุติได้แก่อัรหั ต, ตผลวิมุตินี่นะครับไม่กำเริบ เป็นสาระเป็นแก่นแท้แห่งพรหมจรรย์อันนี้นะครับถ้าดูรายละเอียดว่าอะไรเป็นกิ่งเป็นใบเป็นเปลือกเป็นกะพี้แล้วก็เป็นแก่นแท้ของพรหมจรรย์หรือคํำสอนในศาสนานี้ก็ดูได้ในจุลสารโรปมสูตรมหาสาโรปมสูตรมัชชิมนิกายมูลปัญธาแต่ว่าตรงนี้ก็ยกให้เห็นว่าธรรมะสาราที่ขม่าได้แก่เป็นผู้มีวิมุติเป็นสาระวิมุติได้แก่อรหัตผลนะครับ ถือว่าเป็นสุดยอดสาระแห่งธรรมวินัยนี้นะครับลาบสการะปัจจัย4ี่ชื่อเสียงเป็นต้นเหมือนกับกิ่งและใบนะครับบางช่วงมันก็แห้งแล้งเต็มทีนะครับบางช่วงก็ดกหน้าดูเลยนะสำนวนว่าบางวันก็บินระบาดเหลือเฟือนะครับถันไม่วาดไม่ไว้ใบมันเยอะยนะบางวันนี่ก็กล่นนะครับแทบไม่พอฉันนะลักษณะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นสาระไม่ได้นะครับกิ่งและใบนะนะ ไขมัวคํานึงอยู่กับเก่งใบท้านหน้าแล้งก็อดอยากแน่นะครับบทว่าขยเยได้แก่ยินดีคือยินดีแล้วในนิพพานอันเป็นที่สิ้นกิเลสมีราคะเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งอันเป็นสาระในธรรมะทั้งหลายโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีธรรมะเป็นสาระ ธรรมะเป็นสาระในยะที่สองได้แก่มีนิพานนั่นเองนะครับเพราะนิพานเนี่ยเป็นของเที่ยงนิพานนี้เป็นของประเสริฐเพราะฉะนั้นนิพานนี้จึงเป็นสาระสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวิราโคเศธโธธรรมานังวิราโคเตสังอคคามขายติวิราคะประเสริฐกว่าธรรมะทั้งหลายและวิราคะท่านกล่าวว่า เลิศ ก, กว่าธรรมะเหล่านั้นชนทั้งหลายยินดีแล้วในอนุปาทิเสสนิพานเป็นที่สิ้นสังขารทั้งปวงเพราะเหตุบรรลุธรรมะอันเป็นสารนั้นนะครับนี่ก็เป็นข้อความในอตตกะาทาตุสูตรที่เจ็ดนะครับ